ชีิตเรามาอันเดียวกันมีกายเหมือนกันมีใจเหมือนกันมีปัญหาเกิดขึ้นกับกายเหมือนกันมีปัญหาเกิดขึ้นกับใจเหมือนกันแก้ปัญหาก็แก้ปัญหาที่กายเหมือนกันแก้ปัญหาที่จิตใจเหมือนกันมีสติเหมือนกันมีความหลงเหมือนกันแต่สิ่งที่ไม่เหมือนกันนั่นเวลาเราหลงเรามีความรู้ไหมอาจจะไม่เหมือนกันตรงนี้ ยังอยากจะชวนให้มาดูมาทำเรื่องนี้อยากบอกอยากชวนให้ดูว่าใช่สอนชวนให้มาดูอยากมีสถานที่แบบนี้อยากตั้งอยากนี้อยากให้คนมาดูอันนี้อยากให้คนมีที่อยู่มีอาหารจีนเปิดเครื่องเงินไปไม่พุ่มปวยเกินไป ตอนเช้าตอนเย็นอยากมานั่งตรง น, นี้อยากให้คนมานะนั่งด้วยอย่างนี้จะมาชี้ให้เห็นจะชวนมาดูจับมือมาดูดูด้วยตาเรานี่คือการปฏิบัติการดูต้องมีให้เห็นจริงๆประกอบการจริงๆงั้นเรามีตาก็ต้องดูจริงๆวิธีการดูอย่างนี้ไม่ใช่เป็นความรู้ เป็นการกระทําำมืมันเราฝึกหัดน่าจะสินฝึกหัดศินและประกำฝึกหัดเล่นดนตรีต้องมีการกระทําไม่ใช่ไปท่องไปจําเอาหลวงพ่อหลวงตาเป็นนักเ่นดนตรีอเอา chain สีโซแต่ว่าเวลามีโน้ตอ่ะไม่ใช่ไปท่องเป็นโน้ตเฉยๆลาโดราจอนลาจอนละมี ไอ้ท่องได้กับปากต้องเอามือแสดงไปด้วยซอนมาอยู่ตรงไหนมือคำไปจากอันที่เราปอบันดังขึ้นเรามือคำไปไปถึงสอนสนมีอะไรก็มือมันคำไปมือไปเต้นไปตามโนตหัดจัางนี้แล้วว่าฝึกหัดมันจะเป็นอะไรก็ตามถ้ามีโนตใ น, นหัวใจเรา มันก็สแสดงของอทางกายนิ้วมือที่มันโดดไปเต้นไปฮัดใหม่ๆก็คํำไปคํำหามาอยู่ตรงไหนเรอลาโดลาจอนมาอยู่ตรงไหนจอนเมจอนลามาอยู่ตรงไหนก็ ม, มือก็เต้นไปมันเต้นไปถูกโนดตมันมันก็ดังดังมันก็มีโน้ตมันจ่เต้นไปยังไงตาม โน้ตของเปลงต่างๆมันก็เป็นไปเลยต่อไปเมื่อไหนเป็นแล้วไม่ต้องไปค้ำหามันโดดไปเองมือมันไปเองมันก็เป็นเสียงออกมาจากที่มือมันทาไปมันเป็นแล้วถ้าเป็นอย่างนี้ไม่ลืมไปสีสอที่ตรงไหนก็อันเดียวไปปกแขนที่ตรงไหนก็อนเดียวเหมือนเรามีสติเนี่ยสติมันมีโน้ตคือความ รู้สึกความเลิกได้สติความเลิกได้สัมปัญญาความรู้ตัวเลิกได้แบบไหนไม่ใช่ความคิดก่อนพูดก่อนทำก่อนคิดแล้วเลึกได้ไหมเวลาทําเวลาพูดเวลาคิดอยู่รู้สึกตัวไหมเราหัดตรงนี้กันการหัดตรงนี้ไม่มีใครหัดให้เราได้เราต้องหัดตัวเองจึงมีแบบนี้มีการยกมือเคลื่อนไหว ให้รู้ไปตามมือมันเคลื่อนไหวหัดไปก่อนให้มันเป็นตามหลักพระสูตรพระพุทธเจ้าสอนไว้อย่างนี้กายานปั จ, จนามีสติเห็นกายรู้ ก, กายต่อเนื่องให้มันคุ้นเคยให้กายมันไปติดเอากับความรู้สึกตัวเวลาใจมันเคลื่อนไหวที่ไม่ตั้งใจที่ได้ตั้งใจก่อนคิด ตั้งใจไว้ไม่เป็นไรแต่บางทีมันคิดไม่ได้ตั้งใจมันรักคิดไปเองก็รู้สึกตัวก็รู้สึกตัวและและเลือกได้ตอนนั้นใช้ความคิดตัวเองใช้กายตัวเองใช้ใจตัวเองใช่ตาใช้หูใช้จมูกใช้ลิ้นใช้กายใช้จิตอย่าให้มันใช่เรามันจะเป็นประโยชน์ถ้ามันใช่เรามันก็เป็นโทษบางอย่าง มันไปนโทษมันก็ติดได้ใช่ผิดมันก็ติดความผิดใช่ถูกมันก็ติดความถูกอันใจเนี่ยเช่นเป็นนิสัยโทสาจลิตมันใช่ให้ใจมันโกรธ้ายเกินไปออกหน้าออกตาโมหาจลิตมันใช่ใ ห, หลงเอาความหลงไปเจ้าบ้านเจ้าเรือนออกหน้าออกตาแล้วข้าจลิตเกิดความหิวกระหายในรูปรสจินเสียงเกินไป ไม่รู้จะอิ่มแต่ท้องมันอิ่มแต่ตาหูจะบกเล่นกายเนี่ยมันไม่อิ่มบางทีมันหิวก็ต้องดูวันอย่าให้มันออกทั้งออกท่ากันไปแล้วจึงหัดตรงนี้กันการหัดตรงนี้ไม่มีใครช่วยเราได้มิแต่เราเท่านั้นที่ช่วยตัวเราเองถ้าไปหัดจากนี้มาไม่เห็นหนักไม่เห็นกายแล้วก็เป็นธรรมชาติไปสติมันก็มีอยู่ ว่ามนุษย์คนเราหรือจะเดิอดฉานมันมีเหมือนกันสติต่สติแบบนัน้นไปตามหลังเขาไปตามหลังของรูปของรสของกลิ่นของเสียงของความโลภความโกรธความหลงใช้ความโกรธได้สำเร็จใช้ความหลงได้สำเร็จตามความชั่วได้สำเร็จพราะมันสติไปตามมันไม่ใช่ปฏิบัติไม่ใช่ขับไม่ใช่ดูเหมือนไก่เนี่ย ตอนตายูกบไก่สมัยก่อนนู้นอยู่สชลาไก่ก็ดูแลบางทีไก่น้อยลูกเีกยบแม่มันขึ้นต้นไม้แต่ลูกบันตัวเล็กบินไม่เป็นมันก็ล้องอยู่ข้างล่างแม่มันก็เรียกอยู่กุกกุกอยู่ต้นไม้นอนลูกมันก็ล้องอยู่แม่ก็บินลงมามาเรียกลูกแม่ก็บินขึ้นไปอีก เวลามันบินน่ยแม่มันบินตรงขึ้นไปมันบินได้แต่ไก่เยียบมันบินไม่ได้มันก็วางแผนเป็นอ่ะมันไปยังไงวางแผนอ่ะมันก็มองไปเออมาต้นควนเต่ไตไปต้นนั่นไต่มาต้นนี้ไตมาอากที่ไม่ต้องบินเลยกระโดดไปตามเตาวันตามไรมาไต่มาไต่มาจนถึงอกแม่มันก็มีแผนเหมือนกันอันั้นมาไก่มันเป็นธรรมชาติของเขามันก็มีสติเหมือนกันมันวางแผนเป็น วางแผนจะขึ้นไปหาแม่มันยอดไมน้นอนแต่มันบินขึ้นเหมือนแม่มันไม่ได้ก็ไปไปที่โ น, น, น่นไกลๆก็ค่อยแต่มาแต่มาเขาก็มีสติหมันกันบางทีพระเจ้ายังสอนพระให้เอาเยี่ยงีวางบ้างก็จะเดินไปไหนมาไหนมันดูหน้าดูหลังเพราะพระเจ้าอยู่กับป่าอย่างน้อยก็อิสิปัตะนะเมลึกชายาวันเป็นป่ากว้าง ที่ปลดล่อยของสัตว์ทุกประเภทสอนพระสงฆ์เอาเยื่องอย่างกวางป่าเวลามันไปไหนมาไหนอย่าลูกดีลุกหลนหรือไก่จา่าไก่โจกคุณเจ้าก็ให้ออกแบบไก่จา่าอย่าเอาแบบไก่โจกรู้จักไหมไก่จ่าเป็นยังไงไก่โจกเป็นยังไงนะไก่ไก่ไก่จ่า เป็นหัวหน้ามักจะมีหางจำาญสีขาวย้อยลงสองข้างแล้วไก่จ่าไก่โจกยังไม่มีหางอันขาวๆย้อยลงสองข้างเรียกว่าไก่โจกไก่โจ๊กไปทางไหนมันวิ่งโจ๊ต๊ะรๆๆไปเลยถูกบ่วงถูกแล้วของนายพา่านถ้าไก่จ่ามันไม่ไปแบบนั้นมันไปทางไหนมันจะรู้มันไม่วิ่งไปตรงๆมันอ้อมไป ตรงที่มันปลอดไปไม่ไปเหยียบตรงที่มันเตียนเตียนมันเหยียบจิงบ้าจะอะไรไปทำร่องนั้นมันก็ไม่ค่อยถูกบ่วงแต่เมื่ก่อนนี่เราก็่ อ, อจรัญอยากได้ไก่ป่าที่นี่ก็บอกให้เอาไปดักเอาก็หวานข้าเราเอาบ่วงถึงไว้เวลามาจิงเข้ามันจะมาเหยียบเนี่ยจะได้เด้งเกาให้มันติดขามันไก่จานี่มันก็ดูดูหลวงพ่อจรัญ เอาบ่วงไปบางไ้มันก็โดดมันก็เรียกโจกโจงโจกโจกบอกลูกไก่ไก่โจกทั้งหลายอย่านะอย่านะใครว่าอย่างนั้นเนาะไก่โจกนะสุสกชนเงินไปวิ่งจากจริงไเงบนไปไปติดบว่วงหลวงพ่อจนไปไหลายตัว <c oughs> เรียกเลยอับป้าอาการิโกจนมีไก่ทุกวันนี้พระเจ้าเปรียบเทียบจะทําอะไรต้องรู้สึกก่อนพูดก่อนทำก่อนอคิด เับหัดตรงนี้กันเราหัดยังไงล่ะวิธีหัดก็อย่างนี้กายนวัชนาสติปัฏฐานมีสติเห็นกายกายที่ต้องเห็นแบบไงมันก็เห็นกันอยู่ไม่ใช่เห็นแบบนั้นเห็นแบบเจตนาที่จะให้รู้มีเจตนาด้วยมีการกระทาด้วยสแสดงออกด้วยควเคลื่อนไหวมือ เห็นไหมเห็นกายโอ้เห็นอย่างนี้ไม่ใช่ตาไปดูสองกระจกเงาในกระจกเงาในน้าไม่ใช่แบบนั้นแตบบ่นันก็ดูเพื่อตรวจการหน้าตาของเราเครื่องนุ่งเครื่องห่มของเราให้มันดีมันเรียบร้อยแต่ดูอันเนี้ยดูสติดูกายอ่ะไม่ใช่ดูแบบนั้นแต่มันก็ควบคุมไป้ได้นะเห็นกายเคลื่อนไหวไ ป, ไปมา เชือต่อเนื่องยาวมันยาวๆมันต่อเนื่องพระพุทธเจ้าทรงแสดงสั่งสอนว่ามีสติต่อเนื่องต่อเนื่องไงอ่ะมันหลงอยู่เรื่อยมันขาดเลยไม่ใช่ขาดภาวะที่หลงอ่ะมันต่อดีที่สุดเลยไม่ใช่มันขาดไปภาวะที่สุขที่ทุกข์มันต่อดีจริงๆตรงนั้นมันต่อตรงนั้นด้วยมันหลงก็เห็นมาเนี่ยรู้สึกตัวว่ามันหลงไม่เสียนะ บางทีเราไม่เข้าใจเวลามันหลงถือว่าผิดใช่ผิดเหรอมันไม่ผิดน่ะมันรู้นะขยันใช่ด้วยอยากให้มันหลงจะได้รู้หน้าโลตาอยากให้มันสุขมันทุกจะรู้วันหลงไปทางใดจะได้รู้วันรอบรบรูล об, ล об, ล้รอบรบสติเป็นหน้าโลบเฮ้ยไบบอย่างเนี้ยต้องมาหัศถ้ามาหัดมันไม่เป็นล่ะนะมันใช่ไปท่องจอาําเมา ลุตาเคยเรียนตั้งแต่นักทำตั้งแต่เป็นนักสำเนินนุน่นว่ากรว่าพินยัยบัญญัต้องสัตต์แางนี้เฉจีกะนีจิฉจีท่องได้หมดเลยหลังเสือนว่ากูว่าเล่มหนึง่งจําหน้กับปากหมเลยไม่รู้เลยรเลยถ้ามีอุปการะมากสองอย่างสติคือความเลือกได้สามัญะคือความรู้ตัวทำมันทําให้งามสองอย่างขันติความอดทนสุรจาวความใะเย็มบุคคลฐานที่ยากสองอย่างบบปผกาลีบุคคลผู้รู่งาลก่อน ประันอยู่แต่เวทีบุคคลผู้รูปภาละที่ท่านทำแล้วจับแ่นท่องได้บนดเลยแต่ว่าไม่รู้โกรธทุกสิส่งทุกอย่าเลยเป็นเจ้าทุกเจ้าโกรธเป็นคนที้โตเคียร์ตั้งแต่ที่เดียนนั่งทํามาอย่างดีได้ใบประกาศถ้อยไว้ฝาอย่างดีมันไม่ใช่โอ้หลวงพ่อเดียนมาบอกอะไรเนี่ยเพื่อนไว้เมิเนโอ้รู้สึกเนี่รู้สึกตัวเนี่ยโอ้จติติมันเลยะเลือดได้อย่างนี้ไม่ใช่ท่องเอากับปาก การมาเจริญจติตไม่ต้องใช้สมองไม่ต้องใช้เหตุใช้ผลนันได้ให้มีการกระทําอย่างเดียวเข้าไปถ้าเอาหาคำตอบจากความคิดไม่ถูกต้องต้องเอาคําตอบจากการกระทํามนี่เราลู่อย่างนี้เมื่อระวังนี้เห็นอย่างนี้พลิกมือลู่อย่างนี้ยกอย่างนี้ไม่มีคําถามอย่างนี้นมีแต่คาตอบเองไม่มีคําถามใครคนอื่นตอบผ่านไม่ได้ เราหลงเราก็ตอบเองไม่มีใครรู้เราหลงเราหลงเราก็หลงเองเราเปลี่ยนก็หลงเปลีล่รู้เราก็เปลี่ยนเราเองแล้วมันทำได้ไหมอย่างนี้มันทำได้ไม่ใช่ทำไมาได้มันทำได้ทำได้จริงๆอ่ะปฏิบัติได้ให้ผลได้ไม่จำกัดการใช่ไหมนี่คือวิทยาศาสตร์ที่ที่สูตรได้อย่างที่เราตวจสวาคา โ, โตปวปตะโม พระทำงานพระโพธมีภาคเจ้าตัดไว้ดีแล้วตอนที่จิโกเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาปฏิบัติเพิ่งเห็นได้ด้วยตนเองเอ้ปฏิโกน้อมมาโอ้พะนิโกต้องมาเอปฏิโกชวนมาดูมาดูมาดูเห็นไหมจิตใจมันคิดเห็นไหมความคิดที่ไม่ตั้งใจมีไหมความคิดตั้งใจมีไหมต่างกันไหมเห็นทุกหรือว่าเป็นผู้ทุก ถ้าเห็นทุกข์ต่างกันกันกบการเป็นผู้ทุกข์ไหมมันโกรธเห็นมันโกรธหรือว่าเป็นผู้โกรธต่างกันไหมสภาวะที่รู้กับสภาวะที่หลงต่างกันไหมนี่คือบทเรียนที่มีค่ามากและบทเรียนอย่างนี้มีห้องเรียนที่ได้มีใครเป็นคนสอนไม่มีเลยมีแต่เราสอนตัวเราถ้าเราสอนตัวเราอย่างนี้มันก็เหมาะแจ่การ ง, งานเพราะเราไปใช่กายใช่ใจทํางานทําการ เกี่ยวกับเจียงต่างๆในโลกทั้งหมดเลยถ้าเราไม่รู้อย่างนี้มันก็จะเกิดปัญหาทําความดีก็เป็นทุกขมีเหมือนกันทุกเพราะความดีกวดบ้านเป็นความดีไหมมีทุกไหมขวดบ้านะด้านตัวรังชามถือว่าทุกไหมไม่ใช่ทันทุกเป็นความดีบางทีเรากวดบ้านบ่นไปไม่ช่วยกันเพราะนั่นทําให้ลกลงลัางมันไม่ใช่แบบนั้นแล้วกวดบ้านกว่าดีแล้ว มีสติได้ไหมมีได้เขียนหนังสือดีไหมดีมีสติได้ไหมมีได้ทํางานทํางานงานี้อะไรทั้งอย่างทำได้หมดเราเนี่ยไม่ใช่ไปนอนอยู่ไปทํางานเหมาะแจ ก, กา ง, งานงานยิ่งเป็นหมอเป็นแพทย์เป็นพยาบาลหรือเป็นพ่อค้าเป็นหน้าที่ของเราเป็นสามีปัญญาเป็นครูเป็นอาจารย์ดีที่สุดเลยเพราะฉนนั้เราจึงมาทําตรงนี้กันแล้วหลงเราลูก ถ้าตัวหลงมันมากมันก็มีปัญหามากถ้าตัวรู้มันมากก็หมดปัญหาไปการมีตัวรู้มันมีประโยชน์อะยแล้วก็ไม่มีประโยชน์เลยรแล้วก็ไม่หลงนั่นแหละได้ไหมเวลารู้มันหลงไหมมันก็เดี๋ยวนี้เองได้อะไรได้ความรู้มันไม่ประโยชน์อะไรมันก็ไม่หลงอ่เจ้าอะไรอยัล่ะจะได้ไรแล้วก็จำมาเดี๋ยวนี้ตัวหลงเนี่ย เปลี่ยนเป็นตัวรูดได้ไห ม, มก็เปลี่ยนได้ทันทีหละแต่มันอะไรที่มันไม่ดีเปลี่ยนได้ที่สุดเลยยอดเยี่ยมเป็นศินละปะเลยเดี๋ยวนี้เราไม่ค่อยเปลี่ยนกันให้ความโกรธนอนอยู่กับเราข้ามวันข้ามคืนให้ความทุกข์นอนอยู่กับเราข้ามวันข้ามคื น, ค น, อ น, อ น, คนจะนอนไม่หลับตอนทั้งที่ไม่มีอะไรเป็นทุกข์เพราะความคิดก็มีเหมือนกันภาษาอะไรความคิดเฉยๆมันมาได้ฉี่ช่างฉี่มามา เราไม่สติอันเดียวก็พอแล้วรู้สึกตัวปั๊บเพราะเราฝึกหัดถ้ามันไม่ทันมันเกิดมาก่อนเราก็เชื่อได้ถ้ามันฝึกดีแล้วมันไม่ต้องมีเลยปัญหาอันเกิดกับใจมีแต่จะเป็นประโยชน์เอาใจไว้เป็นหลักพึ่งใจได้เดี๋ยวนี้เราพึ่งใจไม่ได้ถ้าเราไม่ฝึกคุ้มร้อยคุ้มดีฟูฟูแฟบแบ หมกุ่นคุนคิดหลอยไปเหมือนน้ำต่ำลงไปเรื่อยๆสิ้นหมดพลังงานของชีวิตจิตใจคิดมากก็ด้าเต้อด้าเหลืองไปตายเป็นโรคประสาทไปถนอมพลังงานของตอนเอง<ม>เงิดไปกับความคิดแยะๆคนเราอะไรขาคำตอบจากความคิดไม่ถูกเสมอไปไมันก็ต้องมีการกระทำคิดแล้วทำอย่ากลุ้ตาพอกว่าอยากมีที่แบบนี้ ควคิดอยากมานั่งพูดอย่างนี้อยากมาบอกอย่างนี้อยากให้คนมาอย่างนี้เป็นความคิดอันนี้ก็เป็นไปได้ถ้าเราจะทำอะไรที่มันเป็นประโยชน์มันก็เป็นไปได้สาเร็จถ้าเราทำอะไรที่เป็นโทษมันก็ทำได้สาเร็จเราจะใช่ไงชีวิตของเรามือห้านิ้วเสบนิ้วของเราจะพ่อเป็นประโยชน์ต่อโลกได้ไหมต่อบรรุตได้ไหมต่อสรพเพเงได้ไหมไม่ต้องไปร้างโทษช่างบนาต่อกัน นับหนึ่งจากตัวเราเนี่ยนี่แหละต้นตอของชีวิตจริงๆที่ได้ชีวิตอยู่กับโลกถ้าหลงมนไม่ใช่ชีวิตเราหรอกว่ารู้สึกตัวเป็นชีวิตเราหญิงหญิงตัวหลงไม่ใช่ชีวิตเราถูกมนานวไปแล้วนี่วิธีที่จะเดินทางไปสู่ความไม่เกิดไม่เจ็ไม่เกิดบรรดาคือภาวะที่รู้นี่เองภาวะที่รู้นี่ไม่ใช่ความรู้เดี๋ยวนี้ถ้ามันจเจริญงอ ง, งามเป็นญาณเป็นฌาน เป็นศีเป็นสมาธิเป็นปัญญาไ ป, ไ, ปไม่ใช่เป็นการท่องเอามันสร้างสิ่งแวดล้อมขึ้นหลายอ่เรารู้สึกตัวนี่เราทำบาปไหมเรารู้สึกตัวเราทำดีไหมเรารู้สึกตัวเราผิดศินไหมเรารู้สึกตัวในจิตเราโบกแวกก้นแชน่นกอดเดนไหมเป็นสมาธิไหมเรารู้สึกตัวก็เป็นศีลและความชั่วเรารู้สึกตัวก็ เป็นสมาธิเป็นศีลทำความดีเรารู้สึกตัวก็เป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาเปลี่ยนความร่ายเป็นความดีได้นี่เครื่องมือของเราที่เรามาทำความดีมรรลุความดีต้องตั้งตรงนี้ตั้งตรงนี้ไม่หมดไม่จริงเพราะจริงเหล่านี้มันต้องเป็นสมบัติของมนุษย์เราไม่ใช่ความโลภความโกรธความหลง โกรธจนตายทุกจนตายพระตาพูดว่าควาจะมีความทุกข์เป็นครั้งสุดท้ายควาจะมีความโกรธเปครั้งสุดท้ายได้แน่นอนนั่นหัดได้หรือว่าสัตว์ประเสริฐคือมนุษย์เราเนี่ยถ้าหัดตรงนี้ไม่คุ้มค่าล่ะตื่นจะดึกศึกจะหนุม่มดีที่สุดชีวิตของเราบังเอหมดไปอย่างน้องตาก็หมดไปล่ะเล่นก็แฉงโขงนก็ดวง วันเรียบวันแรงหนุ่มน้อยแล้วความหนุ่มเหลือน้อยแล้วใชยการไม่ได้แล้วแต่ว่าไม่เสียเตียบชีวิตกอบกู้ชีวิตตั้งแต่ยี่สิบสามสี่ปีก็หรือฮะไม่เสียชาติหรอกไม่เสียค่านลำล้มพราะแม่เลี้ยงมาแม่พ่ อ, ม, ม, ม, พอมีลูกอย่างนี้จะไม่ต้องให้พ่อให้แม่เดือดร้อนเพราะกายใจนี่ได้มาจากพ่อจากแม่ไม่เอากายเอาใจแบบทั่วยเด็ดขาด เอากายเอาใจไปทำดีเพราะฉะนั้นเราต้องมั่นใจตรงนี้กันมาสร้างฐานตรงนี้กันเป็นฐานชีวิตของเราเป็นแก่นแท้ของชีวิตเราอย่ามีโมกเหมกับพี่คอยที่จะหวั่นไหวไม่ต้องหวั่นไหวอะไรเลยมั่นคงชีวิตเราถ้าเราพูงหัดดีๆเนี่ยสติมันจะเกิดก็เพระการประกอบมันไม่ใช่ไปทอกไปจำเอาประกอบคือยังไงเหมือนรถยนต์มันเป็นชิ้ น, นส่วนประกอบไม่เป็นคันรถวิ่งได้ สติมันจะมีก็ประกอบขึ้นมามันมีอยู่แล้วแต่เราไม่ใช่ไม่มาประกอบอยืนตาราหน่อยอยู่ในสมองหน่อไม่ว่ารู้สึกกายเคลื่อนไหวไปมาหายใจเข้ารู้สึกตัวเวลามันคิดไปรู้สึกตัวเวลามันโศกรู้สึกตัวเวลามันทุกรู้สึกตัวอะไรก็ตามเอาตัวรู้ไปเกี่ยวข้องเป็นตัวเฉลยทั้งหมดเลยในการอาใจเราเนี้ยจนรู้หมรู้ครบรู้ท่วน เรื่องที่เกิดขึ้นกับกายกับใจมีมากมายเลือเกินแปดหมื่นสี่พันเรื่องถ้าอย่างเดียวเจออย่างเดียวกลุ่มของคำความดีก็มีกลุ่มของธรรมความชั่วก็มีกลุ่มของบาปก็มีกลุ่มของบุญกุศลก็มีมรรคผลในผานก็มีสุดยอดที่สุดคือมรรคผลในผานหมดแล้วจบแล้วชีวิตจบกันเองเอาละสังเวยเจ้าอะชาติเสรนแล้วปอมปางจันท์อยู่จบแล้ว จิตอื่นที่ทําไม่มีอีกแล้วสนุกทํางานละว่ะนะสนุกทํางานนะ่ะคนไม่มีอะไรเนี่ยมันสนุกทํางานนะชาติเึ้นแล้วพรหมจันทร์อยู่จบแล้วเนี่ยมันสนุกทํางานทําการเหมือนอาจารย์พุทธนนะน่ะทั้งวันฉันไม่ได้ทํำอะไรเลยไม่ได้ทําอะไรเลยเพราะอะไรมันเป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาแต่ฉไม่ใช่นอนนะมันนอนไม่เป็นหรอก ถนอนก็นอนตามธรรมชาติของสัต์พระสัตว์ทั้งหลายให้ชี้ขี้เกียจที่ข้านเอามาสร้างอันนี้พวกเรามาสร้างสติโย จ, จะวชิตังเชเบกุสิโตหิวีริโยเอกาหังชีพังเสยโยอุโบโต ป, บประยับปยังจำไม่ได้หลวงพ่อเทียนพูดดีดีผู้มีสติมีความเพียรมั่นคงมีชีวิตวันเดียวประเจิดกว่า ผู้ไม่มีสติไม่มีความเพียรร้อยปีมาพิเศษเลยบทพิเศษพระสูดเมื่อกี้นี่นีสติเป็นปัณณจะยึดธรรมังตัดสระสตัสจะเปปัจจิผู้มีสติดีแม่เพียงลายตีเดียวก็น่าชมแม่เพียงลายตีเดียวก็น่าชมต้องมีตัวเองแต่หมายเครื่งพุทธกาลก็ไม่อย่างนี้พระพุทธเจ้าก็สอนพระสงค์อย่างนี้พระสงฆ์ก็รู้อย่างนี้ ไปหาเองไปตอบเองเป็นคำตอบออกมาเองอย่างคาถาของพระอาจาคิ์ชปาคาถาของพระองค์ริมานเขาก็คิดกันมาเองเขาได้เอ ง, ไ ด, เองได้จากของเขาเองอาจาคิอุปติสะไปถามเมื่อท่านรู้อะไรท่านยังมีเกียริมรรคงามขนาดนี้อาจารยชีก็บอกว่าเราบวชใหม่ดังพูดอะไรไปบ้าได้มาก พูดแต่น้อยก็ได้ไม่ต้องหนักอาชิก็บอกว่าเรารู้จริงต่างๆเกิดแต่เหตุจะดับก็ดับที่เหตุพระศาเจริญสอนอย่างนี้เป็นครูของเราปฏิจะฟังเท่านี้คนะาถาอาชิทุกสิ่งทุกสิ่งเกิดแต่เหตุจะดับก็ที่เหตุปฏิจะได้ดวงตาเห็นธรรมทันทีคาถาอาชีปฏิจะ คือสารีบทเนี่ยได้ดวงตาเห็นธรรมถืออาจารย์ช้นี่ไว้บนศรีรษะเสมอเวลานอนเนี่ยอาจารย์บ่าอาจารย์ชอยู่ทางที่ใดอุปติจะสารีบทหันหัวไปทางนั้นตน้นตายเขารบคาถาเท่านี้ทำให้เกิดบรรลุธรรมได้องคุณิมานก็หามาเองประสบการณ์ก็บอกว่าโจจะบุพเพประัติคิดว่า ปชาโสนประมาัสติโสบังโลกังปปชาชติอะพุทธวจันทิมาในครนี้เราประมาทภายหลังไม่ประมาทเหมือนพระจันทร์พ้นจากเมกแล้วฉันลั่นออกมาจากสมองของอุณิวานก็ใช้ได้สำหรับองค์อุณมานแต่ก่อนอุณิมานฆ่าคนไม่มีใครมาบอกมาสอนเหมือนพระจันทร์ที่เบกบังบดไม่เห็น บัดนี้พระจันท์พ้นจากเมฆแล้วละทําบาปทํากรรมแล้วเหมือนประจันทร์พ้นจากแมฆเป็นของวุฒิบาลที่มันเกิดขึ้นมาในหัวใจของคนมารทิศนี้พระสงฆ์หลายลูกในอนุพุทธประวัติออกมาแต่รูกนี่สวยงามที่สุดเลยเอตตะคะต่ า, างๆกันไปพวกเราที่เป็นนักปฏิบัติพระสองฆอง์เจ้าอย่างน้อยก็เราก็ต้องอืมเอาละตัวลูกตัวหลงเนะี่ย เหนหนามันแล้วมันหลงตีไรเยี่มมันเห็นงูเมือเราเห็นงูนี่อ้ยปลอดภัยแล้วมันโกรธอ้ยเห็นปลอดภัยแล้วมันทุกข์อุย้ยเห็นแล้วเห็นงูหลวงพ่อเทียนบอกว่าสติเหมือนแมวความรักคิดเหมือนหนูใช้ได้ไหมเนยแมวมันทําอะไรกับงูมันจับหนูใช่ไหมมันกลัวหนูหรือแมว อะไรกลัวแมวอะหนูกลัวสติเหมือนแมวความรักคิดเหมือนหนูหลวงพ่อเทียนพูดเออเราก็พูดกับหลวงพ่อเทียนเหมือนสติเหมือนช้างกิเลสเหมือนหมา อ, อ้าออมันมีปืนเผาหน้าไม่เลยแต่ว่าเราไม่รู้มันก็ใหญ่นะความหลงเนี่ยพาไปฆ่าไปตีไปดุไปด่ปดาทำบาททำกลรได้บังคับกับใจเราไปา อ่าจิเรตเมันมาตัวหนึ่งง่ายไหมเคเห็นหมาเห่าช่างไหมเราช่างเดินผ่านหมว่านะ่ะหมาเห่าไหมช่างมาผ่านไปไหมโอ้อย่างงั้นจีเรามีสตินะ่ะเหมือนช่างเลยขี่ไปในหมว่านข้างในต่างๆผ่านไปแต่ก่อนทีนี่ก็มีช่างนะสตัวมันมาจริงเข้าวที่นี่ที่ร้านเห็นโกงนะ่ะ เลายิงมันมันเลยหนีไปช่างก็ช่วยกันเป็นได้ตัวอยาอากรอนออกจากป่าเนี่ยตรงเข็ดบาจิกาเนี่ยออกมากินข้าวเขาแล้วก็ที่บาจิกาเนี่ยข้าเขาปลูกไว้เนี่ยตัวอย่าอากรงเราจะหน่อยได้ไหมแต่ว่าก็สู้คนไม่ได้นะช่างสู้ปืนไม่ได้นะแต่มาไม่สู้เราเนาะเราดีขนาดไหนถ้า นั่งไปกี่มาใซด์ไปเขาระเบิด บ, บางๆมาบางต่ายเขาตายมันก็ไดนะ้มันสู้ระเบิดมาได้เราเลยแต่สู้ควงช่วดได้เด็ดขาดเลยเขายิงตัวที่สองตัวที่สอง อ, อกตามหลังไปมันมีงาเขายิงใส่ตัวที่สองตัวที่สองก็ล่มลงนั่งลงไม่ใช่ล่มแล้วนั่งคนจะเมาลงขาหลังอ่อนลงขาหน้ายังขําลเลนอยู่ช้างตัวใหญ่ก็วิ่งใส่คนคนก็ มีต้นกระแบกใหญ่อ ย, อยู่ต้นที่จมปวกที่มีถังน้ำน่คนก็วิ่งหลบโคต้นกระแบกช่างมันเอาคนไม่ได้กันกลับมามาเอางวงน่ยยกก้นช่างตัวมันลงลงเอางวงสอดเข้างามขามาแล้วเขาก็ายกขึ้นมาก็ยืนขึ้นนายพันเขาเล่าให้ฟังนะเราไม่เห็นเาช่างอีช่างอีกจตัวสองตัวที่เป็นตัวเล็กเข้าเทียมข้างเลย เตรียมข้างสองข้า ง, ง, างแนบตัวนี่ไปช่างตัวใหญ่นี่ก็ไถข้นตัวถูกยิงไงไถเข้ามารอยเลือดเป็นแถวอ้ไปเด็ตอนเราก็ได้ยินเสียงปืนเหมือนกันะเออพอตอนเช้ามาเขาก็บอกว่อ้หลวงพอ่อยิงช่างแล้วว่ายิงป่าไม่เฉยๆหรอกแต่มันมีงามๆก็ยิงใส่มันมันเข้ามานี่อัตจายนี่นแหละเข้ามากันตามรอยเลือดไปเขาไปเข้าไปบอกอัน ข, ขึ้นเขาไปโดงไปหลือยาวไป โอ้ข้อโอคีไปสามวันไม่ตายเห็นแต่เลือดแต่ก่อนเป็นดองกลัวๆเหมือนกันก็ไม่กล้าไปค่อยๆไปก็เลยหนีไปแบบนี่เป็นช่างอันนี้มันก็ตายเพราะปืนไม่ใช่ตายเพราะกิเลสคนเราบันตายเพราะกิเลสอาจจะตายเพราะปืนก็ไม่เพราะนั้นการที่เป็นปืนมายิยงเราต้องปราบกิเลสการปราบกิเลสไม่ใช่รัฐประนูญอาจจะทำตำรวจทหารนั้นก็ปราบได้แต่ปราบที่คือปราบตู้หลงเนี่ย คนต่อมาอยู่ที่นี้แล้ไม่มีอาวุธไม่มีกองทัพเรามาสอนกันอย่างนี้ถูกหรืผิดเนี่ยมาเป็นคนดีเดี๋ยวนี้แล้วความชั่วเดียดเด๋ยวนี้มาทําความดีเดี๋ยวนี้ทําได้ไหมมันหลงเปลี่ยนความหลงได้ไหมมันทุกขเปลี่ยนความทุกข์ได้ไหมมันโกรธเปลี่ยนความโกรธได้ไหมมาเปลี่ย น, นเท่นี้กันมันก็หมดปัญหาไปแล้วคนเราเนี่ยยังไม่มีวิธีใดพราะทำนี่แหละเป็นทำอาวุธ าบาปคนไล่เป็นคนดีเหมือนองคุณิบาลผู้เจ้าปราบองคุณิมาลไล่จับดาบไล่ฟันพูเจ้าองค์ุณิมานบอกว่าหยุดหยุดองผู้เจ้าก็ปรากบว่าวิ่งผู้เจ้าก็ตรัสว่าเราหยุดแล้วเราหยุดแล้วเธอนั่นแหละยังไม่หยุดนะยังแต่ บ, บาปบไล่ฟันเราอยู่เราหยุดทําบาปทํากรรมแล้วองคุณิมานได้ยินอย่างนี้นะ่ะ เหมือนประจันพน่จากแม่ไปเจอ technical. โอ้โตเราเนี่โอ้โตเราเนี่มันชั่วขระดานนี่งานเหลือเกินที่จะได้ยินคำพูดอย่างนี้อาจจะเป็นสาไก่งเสียถ้าออกบวชเป็นตรงนี้หรือเปล่านาะได้ยินข่าวว่าต่จสรู้เป็นพระพเจ้าผงเป็นตรงนี้ละมั้งเกิดมาไม่เคยได้ยินคำพูดอย่างนี้เลยทิ้งดาบลงไปก้มลงให้เสียๆ พระจันทร์บนจากเมกเพราะคำพูด่หมดพิษหมดสงรอยองค์ธี م า ن ไม่ใช่เอาปืนไปยิงองค์ธี مان แต่ปราบขี้เล็ดในหัวใจขององค์ธีร ا ن กลายเป็นคนดีได้พระเจ้าปัจเจณที่โกชลจะไปปราบองค์ธี م า ن ก็ไปกราบพระเจ้านําทหารไปล้อมฆ่าองค์ธี مان ก็ถามพระเจ้าว่าจะปราบพระองค์ธี م า ن จะเป็นยังไง องค์เทมามันจนโจร ด, ดูร่ายฆ่าคนตายจึงจะนําทหารไปปราบไปฆ่าบันห่ะจะเป็นยังไงผู้เจ้าก็ถามว่าองค์เทีมานเนี่ยถ้าเขาเป็นคนดีจะว่าอย่างไงองค์เทีมานถ้าเขาบวชจะว่าไงพระเจ้าประเสริฐทุ่โกศลบอว่าถ้าบวชก็จะเป็นสาสตร์อุบาธมภพอุปถธรรมเหมือนพระสงฆ์ทั้งปวงพระพุทธเจ้าก็ชีน้นี่คือองค์เทียมานนั่งอยู่นี้เขาบวชเป็นพระแล้ว พระเจ้าประเสริฐโกชลก็ก้มกับอาชจรยิงนึกว่าเจ้าปืนไปยิงโวลิมานให้ตายจ้าแต่พระเจ้าเอาทำไปปราบก่อนก็อยเป็นหมดพิษปดสงไปเลยนี่คือหลักชีวิตของเราเดี๋ยวนี้ตำรวจทหารไปตั้งกองทัพอยู่ภาคใต้เข่นฆ่ากันตายเป็นรายวันแต่พวกเราจะต้องทำานะ้นหรือมษย์เราเนะี่ยมาสอนกันอย่างนี้ ถ้าบอกกันอย่างนี้จะไม่ได้หรือจะต้องเสียเงินทวงประมาณซื้ออาวุธตั้งองทัพขึ้นมามันไม่ใช่วิสัยของมนุษย์คนเหล่าแล้วมันไล่กวาสัตว์สัตว์มันไม่ขนาดนั้นไม่มีระเบิดไม่มีอาวุธเขาก็ทำองไรกันเฉพาะอาวุธของเขาเขากาปากเขี้ยวทรดรแห น, นงนี่คือเราต้องมีธรรมะนี่แหละ มีศาสนามีคำสอนห้ไปเอาความดีของเราไปช่วยคนเด็กโอ้ยเยอยะเยะเลยทีเดียวเลยอย า, ากจะโกนดังๆน ะ, นะเนาะดีใจดีใจที่มีปัญญาชนมีหมอมีพยาบาลวานามีหวังมีที่พึ่งมาดูมาเห็นด้วยกันกับผู้กับตาอย่าให้ใครหลอกได้ไม่ใช่ไม่เชื่อพวกเรา หลงหัวหลงตาไม่ใช่ให้คนบาศดาไม่มีอะไรที่เนี่ยไม่มีอะไรเลยจะดีจะชั่วอยู่ที่ตัวท่านเองท่านชั่วท่านชั่วของท่านเองท่านดีก็ดีของท่านเองหลงตาพระสงฆ์ที่ไม่ได้ดีอะไรกับท่านไม่ได้ชั่วกับท่านท่านชั่วเองท่านดีเองจริงเป็นหลักที่แน่นอนที่สุดไม่ต้องมาศดาเรามาทานูศรัทธากางกระทนนน มีความรู้สึกตัวกับความหลงอันไหนมันดีกว่ากันโอ้ยสลาดทาความรู้ก็ช่างคนรวยมากนี่คือหลักที่พวกเราฐานที่พวกเราเลยมั่นใจอยู่ใจจีภพจีชาติตันจะไหวฝ้าจะหล่มเราก็อยู่ตรงนี้กันไม่ต้องเป็นไรเลย